ก็จะเดินในธรรมทุกๆท่านเนาะอากาศช่วงนี้ก็ถือว่าเย็นนะหรือว่าค่อนไปทางหนาวเลยเนาะรือความเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ละปีเนี่ยบางทีไม่เหมือนกันมาอยู่ที่นี่แรกๆนะบาง บางช่วงนะก็ร้อนมากนะบางช่วงก็ปีแรกๆบางทีไม่ค่อยมีฝนนะปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็บางทีก็รอดบ้างไม่รอดบ้างนะต้นไม้ก็ยังไม่ค่อยมีมากตอนมาอยู่แรกๆนะตอนนี้ก็มีมากขึ้นนะอากาศก็เย็นสบายมากขึ้นนะที่อยู่ที่อัสัยก็ ตอนนี้ต้องถือว่าสะดวกมากขึ้นก็เก่าเยอะเลยนะอแต่ก่อนใครที่มาอยู่ตรงนี้นะต้องกางเต็นต์หรอกุฏิของโยมเนี่ยไม่มีนะต้องกลางเต็นนะนะต์ตนนะมีมีเต็นต์นะกางเหยาตามเนี่ยสนามหญ้าบางเลยนะแต่ที่จริงก็ถ้าคนที่ตั้งใจไปในวัดจริงจริงนะเนี่ย เรื่องสถานที่ที่พักที่อาศัยหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องรองเนาะเพราะว่าเอาไว้เป็นเพลงแค่ที่นอนเป็นที่นอนให้ได้พักผ่อนอสถานที่นอนหรือเรื่องอาหารการกินก็เป็นเหมือนแค่เป็นส่วนประกอบนะพอให้ได้กินให้ได้อิ่มได้มีแรงได้ปฏิบัติทํามบ้าง นะถ้าเราวางเรื่องเรื่องข้างนอกนะให้มันอยู่ง่ายๆนะกินง่ายๆนะใช้ชีวิตง่ายๆนะนะเราก็มาเน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมนี่นแหละมันจะช่วยให้มันส่งเสริมซึ่งกันและกันเนาะทำไมพระพุทธเจ้าท่านถึงต้องออกบวชนะออกจากความสบายออกจากความสะดวก ออกจากความที่มีทุกอย่างนะออกมาอยู่กับความไม่แน่นอนเวลาไปบินธบารเนี่ยมันคือความไม่แน่นอนอย่างหนึ่งนะในสมัยก่อนนะคือไม่ใช่ว่าจะมีคนใส่เป็นเจ้าประจำนะเหมือนกับเราไปบินธบารตามหมู่บ้านปัจจุบันนะหรือแม้แต่เวลาพระออกไปทุ ด, ดงนะก็ <c oughs> ชาวบ้านเองก็ก็ไม่รู้นะว่าเราจะไปบินเพราะเราเองก็ไม่ได้แบบประชาสัมพันธ์เป็นโครงการเลยนะเวลาไปบินทบารเนี่ยก็คือความไม่แน่นอนนะก็ <c oughs> ไปรุนๆุนต่ออามาเวลาไปทุ ด, ดงก็เหมือนกันก็ไม่ได้ไปแบบเป็นโครงการไปบอกชาวบ้านก่อนว่าวันนี้เราจะข้างที่นี่จะบินที่นี่นะกี่รูปนะไปก็เรียกว่าไป ลุ้นเอาว่าน่ะเขาจะเห็นน่ะหรือเปล่าน่ะเห็นแล้วจะเกิดศรัทธาที่จะใส่หรือเปล่านะปริมาณอาหารที่จะใส่จะพอเพียงกับหมู่คณะของเราหรือเปล่าเอ่ก็ก็ลุ้นๆเอาน่ะอืมแต่ที่จริงก็เมืองไทยเราก็มีศรัทธาค่อนข้างดีนะก็แทบไม่เคยอดนะ อาจจะเคยมีบ้างบางวันที่ไปบินหมู่บ้านที่เขาไม่ได้นับถือพุทธศาสนาก็ได้ได้บาดเป่ากลับมาหรือบางวันก็อาจจะไม่ได้ข้าวได้ผลไม้บ้างนะแต่จริงชีวิตมันก็ไม่ถึงกับตายหรอกนะแค่มือสองมือนะ้อวันสองวันที่ที่อดบ้างหรือว่าที่ไม่ไม่ค่อยอิ่มบ้างนะ ชีวิตมันไม่ได้จะตายง่ายขนาดนั้นนะใช่ไมเหมือนเราฟังข่าวนะคนที่เด็กแล้วก็โค้ดที่เขาติดถ้ำนะถ้ำหลวงนะสิบกว่าวันใช่ไหมอืมไม่ได้กินอาหารเลยนะกินแต่น้ำบ้างนะก็ยังไม่ตายนะอืมคือร่างกายคนเรานะที่จริงมันปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะแต่ที่จริง จิตใจของเราเนี่ยแหละนะ ท, นนที่มันบางทีมันวิตกกังวล น, นะมันกลัวนะอากาศเย็นนิดๆหน่อยๆอ่ะก็กลัวว่าไม่สบายนะไม่ได้กินข้าวเย็นนะบางทีก็กลัวว่าจะเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่านะถ้าเป็นโรคกระเพาะนะพระทั่วประเทศนี่คงเป็นโรคกระเพาะก่อนนะ่ะ <c oughs> อืมอืนะจะกินยา ตอนเย็นเนี่ยต้องหาอะไรมารองท้องเยอะๆหรือเปล่าเนนะอืนะบางที่จิตนะมันก็จะวิตกกังวลไปเยอะนะอืมนอนที่นอนนะนอนกับพื้นนะ่ะมันจะเย็นเกินไปหรือเปล่านะอาบน้ําที่นี่ไม่มีน้ําอุ่นเลยนะมีแต่น้ําเย็นอย่างเดียวเลยนะจะเป็นไงหรือเปล่านะ เอาแบบนี้เลยนะมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมัน <c oughs> ออนะวางใจแบบนี้เลยนะเป็นเรื่องของร่างกายนะมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันเราก็ทำได้เท่าที่เหตุปัจจัยมันมีเอาแค่นี้เนาะคืออืมถ้าเหตุปัจจัยเยนะี่ยน้ำมันเย็นเราก็อาบไปนะ่ะถ้าเย็นมากเราก็อาบน้อยน้อยน่ะอืมนี่ก็แค่นะั้นเองนะอืมนะีนะนะ่มันอากาศหนาแเราก็ผอมผ้าเท่าที่เราหาได้ก็แค่นั้นนะ นี่คืออาหารการกินก็ประมาณนะอืมเท่าที่เราทำได้พอชีวิตเรามันวางใจง่ายๆนะเรามามุ่งเนะี่ยชีวิตเราเนะี่ยไม่ไปหมกมุ่นกับเรื่องเรื่องปัจจัยสี่มากเรามาหมกมุ่นในเรื่องว่าทำอย่างไรเราถึงจะมีสติให้มากเนี่ยนะนะเรามาให้ให้ความให้ความสาคัญกับตรงนี้นะอืม ให้ความสาคัญว่าเออเราจะทำยังไรถึงจะมีสตินะได้เกิดขึ้นบ่อยบ่อยนะบางครั้งแรกเราอาจจะต้องกำหนดสติบ้างนะกำหนดความตั้งใจนะใส่เจตนานะหรือมีความใส่ใจนะที่จะรู้สึกนะให้มันพอสมควรนะแต่เราเองก็ต้องอนสังเกตนะว่าบางทีถ้าใส่ ความตั้งใจใส่การกำหนดนะใส่เจตนานะเราเองต้องรู้ด้วยตัวของเราเองว่ามันถ้ามันใส่มากไปเนาะบางทีมันสังเกตดูว่ามนันอึดอัดไหมอึดอัดไหมนะคือบางทีต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะอย่างถ้าเราบางคนเคยเห็นคลิปวิดีโอนะอย่างหลวงพ่อเทียนนะเวลาท่านยกมือนะท่านจะอาจจะยกค่อนข้างช้าหน่อยนะ แล้วก็ดูค่อนข้างเป๊ะเนะาะเวลายกมือก็ตรงนะวางลงมาก็เป๊ะนะเนะาะหลวงพ่อเทียนท่านทำด้วยความผ่อนคลายของท่านนะแต่ข้างนอกดูเหมือนดูเหมือนไม่ค่อยผ่อนคลายมันถึงว่าข้างนอกอาจจะดูเหมือนเหมือนค่อนข้างเป๊ะแต่จิตใจท่านไม่เป็นไรนะ แต่บางคนไปทําตามแบบนั้นเราเครียดนะเราเองอาจจะต้องปรับนะอย่างหลวงพ่อคำเขียนเองท่านอาจจะไม่ได้ยกแบบหลวงพ่อเทียนนะท่านก็ยกแบบดูข้างนอกก็ดูสบายขึ้นนะแต่ท่านก็รู้สึกตัวด้วยนะแต่บางคนพอยกสบายเกินไปนะกลายเป็นแบบฟุ้งซ่านนะฟุ้งฟุงเยอะแล้วก็ ทำแบบที่มาบ้านเมื่อวานนะบางทีทำฟฟีนะยกไปเฉยๆอะไรแนะั้นเนาะไม่ได้รู้สึกตัวอะไรนะคือเราเองอจจะต้องเรียกว่าเราจะมีเจตนากำหนดก็ดีหรือว่าเราจะทำด้วยความสบายผ่อนคลายก็ดีเนาะสิ่งที่สำคัญจริงๆคือการต้องสังเกตตัวเองว่าทำแบบนี้ยละนะมัน รู้สึกตัวได้มากหรือน้อยขนาดไหนจิตใจมันอึดอัดนะหรือว่าจิตใจมันมันมันผ่อนคลายหรือเปล่าเนี่ยให้เราสังเกตดูตรงนี้นะอืมร่างกายเองก็เหมือนกันนะร่างกายมันผ่อนคลายหรือเปล่าเวลาเราเดินก็เหมือนกันนะเดินก็ท่าทางมันก็เป็นแค่อย่างหนึ่งนะ นะแต่ขณะที่เราเดินนะอทีเราเราก็ต้องดูว่าเราเดินสบายๆธรรมดาหรือเปล่าหรือบางครั้งเราก็กลัวนะกลัวว่ามันจะไม่รู้กลัวว่ามันจะไม่ถูกนะกลัวว่ามันจะหลงอะไรนั่ีแยนะบางทีเนี่ยความกลัวที่มันจะไม่รู้ไม่ถูกหรือกลัวที่มันจะหลงนั่นแหละมันผิดตั้งแต่ที่เราไม่รู้ทันว่าเราทาด้วยความกลัว การมีสติรู้สึกตัวจริงไม่ได้ทำด้วยความกลัวไม่ได้ไม่ได้ทาด้วยความอยากนะแต่ทำด้วยการที่สังเกตนะสังเกตว่าเออทำแบบนี้นะมันเกิดผลแบบนี้นะอึดอัดไปโอเมื่อกี้นะอึดอัดไปอา้าปรับใหม่อา้าหายใจใหม่นะวางหน้าใหม่อะไรแมบน้เนาะบางทีก็เปลี่ยนเปลี่ยนท่า เป็นง่ายๆของเราเนี่ยนะบางทีใบหน้าเนี่ยมันจริงจังนะก็ยิ้มนะยิ้มสักหน่อยนะมันก็สดชื่นเถอะนะที่จริงการทําให้จิตใจผ่อนคลายหรือสดชื่นเนี่ยมันทําง่ายๆเลยนะเริ่มจากการที่เราเนี่ยปรับนะปรับร่างกายของเราให้ผ่อนคลายเนะวางกายให้เคลีคลายนะใครที่รู้สึกว่าการปฏิบัติมันมันตึงมันเครียด มันจริงจังมันอะไรนะอย่าเพิ่งไปกังวลมากว่าจะปรับใจยังไงให้มันผ่อนคลายเนาะเอาเอาว่าให้โจทย์ง่ายๆก็คือว่าทํำยังไงให้มันเดินผ่อนคลายนะยกมือผ่อนคลายรู้สึกว่ามันสบายแบบเนี้ยรู้สึกว่ามันไม่เครียดอะไรเนะี่ยเนาะให้เราเอาโจทย์ตรงนี้เนาะเวลาที่ทําแล้วมันตึงมันเครียดกายมันเครียดใจเนานะ ให้เราเอาเอาร่างกายของเราเป็นตัวปรับนะปรับว่าให้เดินแบบไหนมันรู้สึกผ่อนคลายสบายพอเราปรับร่างกายให้มันผ่อนคลายสบายขึ้นนะมันจะช่วยปรับจิตใจของเราให้สบายขึ้นเองนะมันก็จะช่วยปรับให้จิตใจมันเออหายเครียดหายตึงหายเพ่งลงไปเองเนาะเนี่ยพอเรามาปรับตรงนี้ละบางทีมันก็อาจจะมากไปนะ สบายมากไปเอ้ากลายเป็นหลงอีกละอ่าไม่เป็นไรนะหลงไปก็กลับมารู้ใหม่นะคือคนที่ตึงนะอย่ากลัวหลงหลงไปก็แค่กลับมารู้ใหม่หลงไปก็แค่กลับมารู้ใหม่แต่ถ้าเรากลัวนะกลัวว่าถ้าคลายความตั้งใจนะมันจะเป็นหลงอีกเอ้ามันก็ทำด้วยความกลัวอ่ละนะกลัวที่จะหลงกลัวที่จะไม่รู้กลัวที่จะไม่ดีนะมันจะคลายไม่ได้เลยฮะ มันจะคลายไม่ได้นะคล้ายๆเหมือนกับคนที่เวลาทำอะไรแล้วมันเกรงเนาะเช่นขับรถนะขีะ่จักรยานนะ่มันเกรงนะเกรงไว้นะเพราะว่ามันกลัวล้มนะกลัวล้มกลัวชนใช่ไหมก็ไม่กล้าที่จะปล่อยไม่กล้าที่จะปล่อยปล่อยให้มันหายเกรงเนาะไม่พอไม่กล้าที่จะปล่อยมันก็ยังเกรงอยู่นะ ต้องกล้าที่จะปล่อยนะสิ่งที่มันเกรงสิ่งที่มันเครียดเอาไปก่อนนะนะและปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่เสียหายมันไม่ได้เจ็บตัวมากเหมือนรถล้มอะไรขนาดนั้นหรอกนะมันก็แค่หลงไปเองนะมันก็แค่ลงไปคิดบ้างนะหลงไปลืมเนื้อลื ม, ลมตัวบ้างนะแต่ถ้าเราผ่อนคลายมากขึ้นนะมันจะรู้สึกตัวมันจะกลับมาได้ง่ายขึ้น หลงไปก็กลับมานะคิดไปอ่ะเอรู้ว่าคิดก็มีสตินะอืที่มันหลงไปแล้วเรารู้ทันนะก็ถือว่ามีสติเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเสียหายมันไม่ใช่ว่าเหมือนเราหกล้มแล้วมันจะต้องเจ็บตัวนะต้องมาทําแผลนะแต่จริงมันก็แค่หลงไปแม้เราไม่ได้เครียดจริงจังเกินไปเดินธรรมดามันก็ยังหลงได้นะเป็นธรรมดา คือธรรมชาติที่จิตนะมันก็มีมีหลงกับรู้แบบนี้แหละนะเพียงว่าแต่ก่อนเราเราหลงนานนะหลงนานไม่ค่อยรู้ตัวนะแต่จริงพอเรามาปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราหลงไม่นานนะอืมแต่ตัวที่มันจะหลงนานนี่ที่ต้องระวังอย่างที่ว่ามันจะหลงไปเพ่งหลงไปบังคับหลงไปเครียดเน่ยอันนั้นก็เป็นความหลงอย่างหนึ่งนะ ต้องดูทันนะเวลามันเพ่งมันจ้องมันเครียดนะปรับออกมาสักหน่อยปรับออกมาสักหน่อยผ่อนออกมาสักหน่อยนะผ่อนคลายร่างกายนะผ่อนคลายจิตใจนะผ่อนคลายร่างกายก็เนะี่ยอมยิ้มนะหรือบางทีมันจับมือตึงเกินไปก็ปล่อยมือเดินธรรมดาได้นะหรืหนะหอล้วก็ยกมือไปก็บางทีก็สังเกตด้วยนะอืม ยกมือไปไหลมันเกรงหายใจอึดอัดหรือเปล่าอะไรนะั้นก็ดูๆไปนะมันก็จะเห็นแล้วก็ปรับเราก็จะหาจังหวะที่มันพอดีสําหรับจดิตนิสัยของเราได้นะมันอาจจะไม่เหมือนกันนะความเร็วความช้ า, าความ เ, าเหมือนตั้งใจหรือไม่ตั้งใจขนาดไหนบางทีดูข้างนอกก็อาจจะดูยาก แต่ให้เราดูตัวเองว่าแบบเนี้ยเรารู้สึกว่ามันพอดีเนาะรู้สึกมันพอดีความพอดีมันดูได้จากความที่มันไม่ตึงเกินไปนั่นแหละนะมันพอดีนะเหมือนคล้ายๆถ้าเราเดินเนาะสมมติเดินเราพยายามที่จะลงเท้าเบาๆพยายามที่จะย่องๆ น, นะ น, นั่นไม่พอดีเนาะคือเราต้องใช้ความพยายาม พยายามที่จะต้องทำให้มันเบายบเงียบเลยนะคือถ้าทำนิดๆหน่อยๆ น, นะมันก็อาจจะไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเราต้องเดินแบบนั้นนะเป็นครึ่งชั่วโมงไปชั่วโมงเนี่ยเนี่ยมันทุกขนะ์เนาะเราทำตัวเองให้มันทุกข์ไม่มีใครทำให้เราทุกข์นะอืมแต่เราเองคิดว่ามันต้องเดินแบบนี้เนะี่ยมันต้องย่องย่องเบาเบา ชช้านะอมันก็จะเป็นทุกข์ยกมือเองก็เหมือนกันนะถ้าบางคนไปยกช้ามากนะกลัวมันจะหลงนะที่จริงมันก็หลงตั้งแต่กลัวที่มันจะหลงนั่นแหละแต่มันไม่รู้ตัวนะว่าเราทำด้วยความกลัวที่มันจะหลงนะกลัวที่มันจะไม่รู้นะแต่ทำด้วยความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะรู้รู้แล้วมันก็จะ แล้วมันก็จบนะมันถึงว่ามันก็จะรู้ใหม่รู้ใหม่รู้ใหม่นะคือตัวรู้เองก็ไม่ใช่ไปกําหนดให้มันจะต้องต่อเนื่องหรือว่าไปกําหนดให้มันจะต้องอยู่นานๆนะเพราะความตัวรู้จริงๆเนี่ยมันแว บ, บเดียวนะมันเป็นขณะอใหม่ๆสดๆนะแล้วก็มันก็ไม่นานนะเออ มันเหมือนแต่มาก็เปรียบเทียบบาทีเปรียบเหมือนลมมันพัดมานะพัดมาก็ไปพัดมาแล้วก็ไปนะมันไม่ได้อยู่กับที่นะมันพัดไปเรื่อยหรือเหมือนแม่น้ำนะที่มันน้ำก็ไหลไปเรื่อยนะไหลไปเรื่อยนะความรู้สึกตัวก็เหมือนกันนะมันรู้นะแล้วมันก็รู้ใหม่รู้แล้วก็รู้ใหม่นะฉะนั้นความรู้สึกตัวจ ร, จริงๆคือความสดๆสดสดใหม่ๆนะการไปรอรู้ ก็ไม่ใช่การที่ทำแล้วไปคิดว่าเมื่อกี้มันทำอะไรนะไปไปย้อนนะไปย้อนนะเฮ้ยนี่เหยียบนะนี่ยกนะที่จริงมันเหยียบไปแล้วนะมันยกไปแล้วนะให้สัมผัสต ร, ตรงนั้นเลยเช่นมันเหยียบไปแล้วเนะี่ยมันหยุดอยู่กับปัจจุบันนะมันหยุดอยู่นะก็รู้สึกถึงความหยุดเลยนะไม่ใช่ไปไม่ต้องไปกาหนดเฮ้ยเมื่อกี้มันเหยียบเนาะอะไรนะ หรือยกไปแล้วนะมันค้างอยู่กับที่เนะี่ยให้เรากําหนดดูกับการทีม่มันหยุดนิ่งอยู่เลยนะไม่ต้องเออเมื่อกี้ยกเลยเนานะคือความรู้สึกตัวจริงคือปัจจุบันนะปัจจุบันนะถ้าเราไปดักรอดูนะรอดูว่าเดี๋ยวเราจะพลิกมือเนี่ยก็ไม่ใช่ละหรือพิกมือไปแล้วก็ไปพูดว่าเราพลิกมือไปแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ปัจจุบันละปัจจุบั น, นจริงๆคือ มันเปลี่ยนไปเรื่อยนะเปลี่ยนไปเรื่อยนะแล้วก็ไม่ต้องไปเรียกชื่อมันก็ได้นะหรือบางทีจิตไม่เรียกของมันเองก็เรื่องของมันนะอ่าบังคับไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้ารู้เฉยๆดูเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะง่ายนะเพราะว่าเราก็ลองคิดดูนะเราต้องปฏิบัติแบบนี้ตั้งแต่ตื่นจนดับเนาะถ้าเราต้องไปเรียกมันนในใจบ่อยๆเนี่ยมันก็มันก็เหนื่อยนะ อคล้ายๆเหมือนคนพูดพูดทั้งวันเนาะมันก็เหนื่อยเนี่ฉั้นความรู้สึกตัวจริงๆเนี่ยถ้าเราทำน้อยที่สุดนะมาถึงว่าอแค่รู้นะโดยไม่ต้องไปพยายามทำอะไรแบบไปกำหนดบังคับมากนะแต่แรกๆก็กำหนดบ้างนิดหน่อยนะแต่อย่าให้มันมากไปนะมันจะเครียดนะ หรืออย่างที่เคยตอบว่าบางคนฟุ้งซ่านมากนะบริกรรมหรือนับเข้ามานิดนึงเพื่อให้มันมีสติมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นก็ได้นะแต่ถ้าไปทํำบ่อยๆนะมันจะเหนื่อยมันจะติดนะหรือมันจะทําให้เราไม่ได้เห็นเห็นความคิดเห็นอารมณ์เพราะว่าบางทีมันก็จะไปกําหนดมากไปเพราะการปฏิบัตินะที่แท้จริงนะ คือเราไม่ได้เน้นแต่เราดูร่างกายนะเราเน้นเพื่อให้มันไปเห็นความคิดเน้นเพื่อให้มันพูดง่ายก็เห็นความหลงนั่นแหละนะมันเหมือนคล้ายๆเหมือนเราเห็นความผิดของตัวเองเวลาเราทำอะไรนะเราเราจะทำงานอะไรแล้วเราไม่รู้ว่าเราทำผิดทำพลาด ต, ตรงไหนเนี่ยมันจะไม่ก้าวหน้านะเราทำงานไปเนะี่ยถึงก็เราพูด สมมติเราฝึกพูดภาษาอังกฤษเนาะสมมติหรือภาษาที่สามที่สองที่เราไม่คุ้นเคยเนาะเราก็พูดอย่างที่เราคิดว่าเราพูดถูกอะ่ะออกเสียงแบบนี้นะเนะี่ยเราคิดว่าถูกของเรานะแต่ถ้ามีคนมาเตือนมาทักเราอเออออกเสียงแบบนี้มันไม่ตรงนะฟังไม่เข้าใจหรือฟังแล้วมันทาแม่งทาแม่งเนะี่ยออกเสียงแบบนี้นะอะไรนะอ๋อเราก็จะรู้อืม เราก็ออกเสียงอย่างที่เราคิดว่าเราออกถูกแล้วแต่พอมีคนมาทักว่เออมันผิดมันหรือว่ามันก็ได้อยู่แต่มันไม่ไม่เคลียร์มันไม่ดีเขาก็แนะนำเราเออเราก็ได้ปรับปรุงไงเออปรับปรุงการมีสติก็เหมือนกันนะมันเหมือนเราเห็นความผิดพลาดของตัวเอง่ะอ๋อมันหลงแล้วนะการเห็นความหลงนั่นแหละมันทำให้มันถูกทำให้มันดีขึ้นนะ นันไม่ต้องกลัวมัมนหลงไม่ต้องกดความหลงนะมันหลงมาเพื่อจะได้รู้นะหลงมาเพื่อจะได้ถูกนะนั้นเราก็เออทำเรื่อยๆสบายๆนะหลงก็แค่รู้หลงก็แค่รู้เนะี่ยมันก็จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากแต่ก่อนที่มันหลงแล้วไม่รู้นะคิดว่ารู้เพราะว่าพยายามจะไปรู้แบบจ้องบ้างรู้แบบบังคับบ้างรู้แบบกลัวที่มันจะไม่รู้บ้าง มันไม่รู้จริงๆเนาะแต่รู้จริงๆเนี่ยไม่ต้องมีการบังคับไม่ต้องมีอะไร ร, รู้โดยที่ไม่ต้องคิดรู้โดยที่ไม่ต้องมีการเข้าไปจ้องเข้าไปเพ่งอะไรนะรู้แบบสบายๆนะแล้วที่จริงการรู้แบบสบายๆเนี่ยคนทุกคนรู้ได้อยู่แล้วนะอืมเหมือนเรานั่งนะเราก็รู้สึกได้เลยนะ นะร่างกายที่นั่งนะเดินก็รู้สึกได้นะ่นะหยิบจับทําอะไรเนี่ยก็รู้สึกได้ง่ายๆธรรมดานี่แหละนะอืเพียงแค่ให้จิตใจเขาอยู่กับปัจจุบันตรงนั้นหน่อยก็แค่นั้นเองแต่ที่มันไม่รู้คือจิตใจมันไปอยู่ที่อื่นนะจิตใจไปอยู่กับความคิดไปอยู่กับนั่นนี่นะแต่จริงพอมันไปอยู่กับความคิดนะแต่เรารู้เออมันไปกับความคิด เราก็รู้สึกตัวแล้วนะงนั้นความรู้สึกตัวก็เวลาเราปฏิบัติจริงมันจะสะดับนะแต่สะดับแบบไม่ได้เป็นจังหวะตายตัวแน่นอนนะระหว่างการรู้กายกับการรู้ใจเนะี่ยมันจะสะดับรู้ไปเรื่อยนะแต่มันก็คือตัวรู้เหมือนกันนั่นแหละนะแต่ถึงแม้ว่าบางครั้งมันรู้กายนะบางครั้งมันรู้ใจนะไม่ต้องไปแปลกใจสงสัยใดหลักนะไม่เป็นธรรมชาตินะ ไม่ใช่ว่าเราจะไปกําหนดรู้แต่กายรู้แต่การเดินตลอดนะทุกสิบสิบสี่เก้าที่เดินก่อนกับตัวเลยมันมันไปกําหนดไม่ได้นะอืมบางทีก็มีความรู้สึกตัวอย่างอื่นเข้ามาแทรกนะรู้สึกถึงลมหายใจนะแต่ไม่ใช่ไปกําหนดลมหายใจพร้อมกับการเดินนะอไม่ได้ไปกําหนดลมหายใจพร้อมกับการยกมือนะแต่มปการรู้แทรกเข้ามานะเท่าที่มันจะรู้ของมันเองนะ หรือการรู้ทันความคิดน่ะก็เหมือนกันมันก็แทรกของของมันเองนะตามที่มันความคิดมันเด่นอ่ะเราก็เห็นความคิดมันเด่นมันก็เห็นอยเนี้ยมันก็จะเกิดการรู้แทรกไปเรื่อยๆนะนั้นมันมีแต่การรู้นะแล้วเราจะแยกเอานะออตัวรู้ตัวหนึ่งนะตัวที่ถูกรู้ตัวหนึ่งนะเนี่ยตัวรู้เนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้รู้เป็นเพียงแค่ผู้ดูนะ เห็นเฉยๆนะแต่อาการมันคือเนะี่ยมันก็สลับไปเรื่อยน ะ, ะร่างกายบ้างจิตใจบ้างแต่จริงก็คือล้มๆคืออาการของกายของใจนั่นแหละน ะ, ะก็รู้แบบนี้ไปเรื่อยนะนั่นมันก็จะเห็นอ๋อที่จริงไม่แต่ตัวรู้แล้วก็ตัวถูกรู้เองนะมันก็คือมันอยู่ในความใจรักของมันทั้งนั้นหลยนะนีะ่มันเปลี่ยนไปของมันเรื่อยนะ รู้สดับกับไม่รู้หรือแม้แต่ตัวหลงเองมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะมันมีความทุกข์มันบังคับไม่ได้เหมือนกันนะรู้ก็บังคับไม่ได้หลงก็บังคับไม่ได้หลงก็เกิดของมันเองนะรู้ก็เกิดของมันเองนะแต่รู้มันเกิดของมันเองเพราะว่าที่จริงเราก็มีการฝึกนะมันถึงเกิดนะแต่ไม่ใช่ว่าอยากจะรู้ มันถึงจะรู้ไม่ใช่คำว่ามันเกิดของมันเองในที่นี้คือไม่ใช่มันเกิดด้วยความอยากของเรานะแต่มันก็เราทำเหตุถูกมันก็เกิดนะมันเกิดของมันเองในที่นี้คือมันมีเหตุปัจจัยมันสมบูรณ์มันเป็นแบบนี้มันก็เกิดแบบนี้เนาะอืมเราใจมันอยู่กับปัจจุบันนะมันก็เห็นร่างกายมันเดินอยู่อันนี้ก็ถือว่ามันเกิดของมันเองนะคือ มันมีเหตุมีปัจจัยนะมันก็เกิดแล้วก็เฉนอเนี่ยนะรู้ก็อันนึงนะหลงก็อันหนึ่งนะรู้ก็อันนึงนะกายก็อันหนึง่งนแต่ทั้งหมดนะก็คือตกยืนในกฎของใตรลักษทั้งนั้นเลยนะมันไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆนะแม้ตัวรู้ก็ดีนะตัวหลงก็ดีนะมันก็ไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นเพียงแค่สภาวะขนาดหนึ่งของ ของการมีชีวิตอยู่แค่นั่นเองนะแต่เพียงแต่ว่าเมื่อมันรู้นะมันก็ไม่ทุกข์แต่เมื่อมันหลงเนี่ยมันอาจจะหลงไปเป็นทุกข์นะหรือบางทีเราเรียกว่าเรามันเป็นสุขนะแต่ถ้าไปยึดนะมันก็เป็นทุกข์เนี่ยมันก็จะเห็นว่าอ้อเมื่อดูนะจิตใจมันปกตินะมันไม่เป็นทุกข์เนี่ยสัมผัสได้เลยอ้อ มันก็คือตรงนี้นะปฏิบัติไม่ต้องรอเราบรรลุธรรมหรอกนะแค่รู้สึกตัวได้นะ่ะจิตก็ไม่เป็นทุกข์แล้วนะแค่เห็นกายเห็นความคิดเนี่ยมันก็ไม่หลงไปตรงนั้นแล้วนะมันก็ไม่เป็นทุกข์แล้วนะแล้วพอเริ่มเห็นนะแยกได้เห็นใตรักได้เนี่ยมันก็รู้สึกเออมาถูกทางแล้วเนะี่ยพอมันรู้สึกว่ามาถูกทางมันก็ ความยังเลสงสัยต่างๆมันก็จางคลายไปเยอะเลยนะอ่มันจะอ้อไม่สงสัยละนะจางคลายไปเยอะหรือจิตที่มันคิดจะต้องไปแสวงหาที่นั่นที่นี่นะหาครูบาอาจารย์หาวัดหาวิธีปฏิบัติหลากหลายเพื่อที่จะมาเปลี่ยนแปลงในเองมันก็จะไม่ดินน้นนนไม่ดินน้นนนแต่ไม่ใช่แปลว่าปิดกั้นนะ ถ้าได้ฟังได้เห็นได้ไปศึกษาอะไรที่มันดีๆมันก็เอามาประยุกต์มาบวกกันก็ก็จะเข้าใจได้ได้ดีขึ้นแต่ไม่ใช่ดิ้นดล น, นะคิดว่าทำแค่นี้เองเหรอเนะี่ยมันจะไปถึงมรรคผลนิพพานได้เหรออะไรนะบางทีบางทีเราไม่เชื่อใจเนาะไม่เชื่อใจว่าแค่ทำแค่นี้นะมีสติไปเรื่อยๆเนี่ยนะนะแต่ก็ มันก็จะทำให้ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะมันก็จะเห็นสิ่งที่มันละเอียดมากขึ้นเข้าใจกลไกของธรรมชาติของธรรมะมากขึ้นนะการสแสวงหาหนทางนะที่จะออกจากทุกนเนี่ยมันจะเลิกสแสวงหานะมันจะสึกพบทางแล้วมีแต่ว่าต้องเดินไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆนะ แล้วก็ทําด้วยความไม่ประมาทด้วยเพราะว่าทางมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะราบเรียบตลอดนะบางทีก็อาจจะมีตัวหลงนะอย่างบางทีพอเข้าใจอะไรสักอย่างหนึงเออตัวหลงมันมาแทรกเลยนะตัวดีใจนะตัวครูเก่งตัวอยากบอกตัวอยากสอนนะตัวรู้สึกว่าอืมไม่อยากทําอย่างอื่นแล้วอยากจะทําแต่อันนี้เนี่ยนะมันก็มีตัว หลงที่ที่มันละเอียดนะบางทีก็มาแทรกนะแต่มันก็เออไม่เป็นไรนะหลงกันทุกคนนั่นแหละหลงกันทุกคนไม่ใช่ว่าจะไม่หลงนะแต่หลงเรารู้หรือเปล่านะแต่ถ้าหลงแล้วไม่รู้นะใครเตือนไม่ได้อันเนี้ยก็ก็ต้องระวังนะต้องฟังคนอื่นเตือนบ้างหรือว่าต้องตระหนักตลอบมาดูตัวเองว่าเอ้ยเราติดหรือเปล่าเนี่ย แต่ไมพอมันดู้อันนี้นมันจิตมันไม่ค่อยอยากจะอยู่กับตัวเองเลยไม่ค่อยอยากอยู่มันอยากจะไปออกไปซอนอยากจะไปอหรือบางทีมันรู้สึกว่าพอรู้สึกตัวแล้วมันอยากมีแต่ปลัคลองอย่างเดียวเลยนะมันกลัวหายหรือเปล่าเนียเราเองก็ต้องดูตัวเองนะอืนะอันนี้ก็พูดให้ฟังเนาะเนะพื่อให้ฟังให้เราเห็นนะ ช่องทางในการปฏิบัตินะเรามั่นใจในแนวทางปฏิบัตินะกก็ขอสมควรเก็เวลากาผ่าพร้อมกัน